พระธรรมเทศนาแผ่นที่92ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่าปลูกง่ายรักษายากวันนี้เป็นวันที่24 พฤษภาคมพุทธศักราช2559เมื่อวานหลวงพ่อป่าพระจัทธาาญาตโยบางกลุ่มไปทำกิจกรรมเพราะในช่วงที่หลวงวันเกิดของหลวงพ่อมีพระจากวัดสาขาวัดต่างๆได้นำกล้าไม้มา มาก็มอบให้มอบให้ผมได้นํากล้าไม้มาไม้มะว่าไม้มะว่าเท่านั้นไม้มะข่าเท่านี้ไม้สักเท่านั้นแคร์แคร์ไปเป็นไม้ตะเคียนไม้กระกันที่นํามาแต่หลวงพ่อก็จะเน้นถังเนี่ยไม้สักปะดูมะข่าตะเคียนทองไม้ยางเป็นไม้ใหญ่ๆแล้วก็พร้อมกันก็ผสมผสานกรับพวก ลูกใส่ด้วยมะว่าด้วยคือเป็นอาหารของสัตว์อาหารของนกอาหารของเลงเราจะจะปลูกต่ไม้ยืนต้นอย่างเดียวมันก็มันแห้งแล้งเกินไปไม่ได้มีสัดสาราสิงได้พึ่งพาอาศัยเราก็ต้องปลูกต้นเหล่านี้ผสมประสานกันด้วยถ้าเป็นไปได้ก็นั่นนะหมักมังค์สมโพน พรมันปลูกแล้วมาอายุยืนสมโพกพวกมะม่วง ก, กันนเป็นไปได้กันอาผสมผสานกันถ้าได้มานะปลูกไปเลยเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ของเลงเป็นป่าดงขึ้นมาแล้วเราดูดูแล้วไม่มีคุณค่าแต่สำหรับสัตว์ทั้งหลายมันมีคุณค่ามันเป็นอาหารของมันในวันเมื่อวานวก็ตอนบ่าย บายโมงกว่าๆนะหลวงพ่อเลยเอารถออกไปปลูกก็ไม่ได้บอกพระทั่วถึงกันเอาไปปลูกเมื่อวานโอ้หพ่อไปเหงือกระดาษแดดกำลังร้อนเปี้ยงเลยนะงั้นนะแห่งแสงพระอทิตย์บ่ายสองโมงนะคิดดูสิวะยังไม่ถึงบ่ายสองโมงดีต่างหากบ่ายโมงครึ่งมั้ง เอไปปลุกหลวงพ่อก็เหงื่อท่วมตั ว, วเหมือนกันลูกน้องบริวารกัพ่อหลวงพ่อพายสู้ใช่ไหมล่ะเอามันให้มันรู้จักว่าร้อนคืออะไรวะนั่งภาวนาอยู่ห้องแอร์มันไม่ดีนั่งภาวนาอยู่ที่เย็นเย็นมันไม่ดีออกไปตากแดดมันร้อนๆเนี่ยวะเป็นไงจะได้รู้สึกว่าร้อนคืออะไร ปลูกได้หลายเที่ยวเหมือนกันนะหกห้าหเที่ยวรถปิกอัพคงหลายร้อยกาอยู่เมื่อวานนะปลูกสลับกันไปสลับไปสลับมาให้เป็นต้นเป็นป่าดงขึ้นมาทดแทนบางคนที่ไม่ได้มาเห็นเอ๊ะทำไมหลวงพ่อยังมีที่ว่างอยงมีอยู่นะลูกหลานอยู่ฝั่งริมลางริมคลอง ห่วยลางมันมีป่าไผ่ป่าไผ่เต็มไปหมดมีตะกอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเอ่อแต่นี้พอมันปีที่แล้วนี่ปีก่อนมันตายขุยไม้ไผ่ตายขุยมันจะตายพร้อมพรอมกันนะแต่ว่าปีนี้ไม้ไผ่ป่าตายขุยมันจะตายพร้อมกันทั้งหมดไม้ไล่ตายขุยไม้บงตายขุยเนี่ยมันจะตายเป็นพร้อมๆกันมันจะไม่ตายพร้อมกันไม้ไผ่นะตระกูลของใครตระกูลของเรา คือมันออกดอกมนะันขยายพันธุ์นะพูดง่ายง่าขยายพันธุ์ของป่าไผ่มันต้องออกขุยซะบ่อนพอออกขวยแล่านั้นมันก็ขยายเม็ดมันมันไปเกิดตามเม็ดของมันเท่านะี้มากมายนะแต่ไม้ไผ่ป่านะี่ยเขาว่าประมาณสี่ห้าสิบปีนะจะจะออกขวยออกออกขุขีครั้งหนึ่งนะออกดอกครั้งหนึ่งออกหมากครั้งหนึ่งนะแต่นี่มันของเรากนนะัไม่รู้กี่ปีแนละ้ว เราก็มาเห็นกับเป็นกอไผ่ใหญ่ทะเลทลาทั้งหมดอพอมาปีที่ก่อนนั้นะตายขุยตายทั้งหมดนเลอพอมันตายหมดทาําไงคือเขาเทววันก็ขึ้นไปพันอิดวงตรงหนังเพราะว่าแต่ก่อนมันขึ้นไม่ได้คือเขาเทววันเพราะไม้ไผ่มันคุมทั้งหมดนะไม้ทั้งหลาย่มันตายหมดแหละมันก็เป็นขุยอยู่ยในกอไผ่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันพอจากนั้นมาก็ได้เราก็มีรถแม็คโครมาก็เลย มาเอาปราบกอไผ่ทั้งหมดะออแล้วก็ขุดหลุมเลยนะหลุมแล้วก็ฝังกไม้ไผ่เป็นกอเป็นกอลงไปรถขึ้นไปเหยียบเหยียบแล้วก็กบเหยียบกบเหยียบกบเพราะฉนั้นถูกหลานจึงไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้ใช้ไฟเผาหนละวงพ่อบอกวา่าโรคร้อนนะอย่าไปใช้ไฟเผาทนะัา้งอยู่ในวัดเศสสรษฐาลายศีในวัดของเราก็มากแต่ตื่นกันอี ตกใจอีกมันกลัวไฟอะนั้นเอารถแมคโครขุดหลุมกับฝังฝังฝังกบฝังก บ, งบมันเป็นปุ๋ยในนั้นด้วยเนี่ยเนี่ยเมื่อวานก็เลยไปปลูกได้สวนนะ่ะยังอีกหลายสวนนั้นลูกหลานนะยังอีก4ี่ห้าสวนนะั้นสวนใหญ่ๆสวนใหญ่ๆกว่านั้นยังมีอีกประมาณส อ, ส, อสองสองสองสวนที่ใหญ่กว่าที่มาปลูกเมื่อวานนะี้ตรงนั้นก็กระจิกกระจ่อย ก็มากพอสมควรอยู่แท่ทางป่าไม้เข้ามาคำนวณบอกบอกว่าประมาณ25ไห้ไร่หลวงพ่อที่เดบปลูกป่า เ, เขาก็มาปลูกครั้งหนึ่งนั่นแหละแต่มาปลูกก็ปลูกมันก็สี่เมตรคูณ4ี่เมตรมันก็ห่างเกินไปหลวงพ่อว่านะเพราะว่าแต่ตามไม่จริงก็พอดีของเขานะถนามันใหญ่ขึ้นมาแต่การรักษาเนี่ยเอ่อเผื่อมันตายต้นหนึ่งก็เป็น8เม็ดใช่มมันตายสองต้นเป็นเม็ดใช่ม เราก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราปลูกเราปลูกหวังผลเราต้องปลูกทีเผื่อมันตายต้นหนึ่งถ้ามันขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ชอบใจเราตัดมันทิ้งก็ได้ตอนที่เราไม่พอใจเอาไว้ที่ต้นที่พอใจแต่เราก็เสียเสียทุนไปหน่อยแต่ก็หวังผลถ้าหวังผลมันก็ต้องใส่ให้ทีอย่างคนญี่ปุ่น เขาไปไปีญี่ปุ่นกเกษตรญี่ปุ่นเขาไปดูเขาไปมาเล่าเล่าให้หลวงพ่อฟังเขาว่าญี่ปุ่นปลูกไม้เอกล้าขึ้นมาเนี่ยเขาปลูกอย่างมักค่าเนี่ยเขาปลูกห้าสิบห้าสิบเซนติเมตรเขาว่าห้าสิบเซนปลูกปลูกให้ถี่เลยเอพอมันใหญ่ขึ้นมาขนาดหนึ่งมันแน่นอนเลยทัองถอนออกอไปปลูกที่อื่นอีกทาไม่ต้องการก็ตัดทิ้งเอ ก็ว่าร้อยเปอร์ซนตก็ว่าหวังผลได้ร้อยเปอร์ซให้รักษาปลูกให้รักษานะเพราะว่าต้นมันมันขึ้นมาแล้วมันมันชิงกันขึ้นมาพอจากนั้นเขาก็ตัดทิ้งอันนี้หลงพ่อก็ได้ยินคําขอแต่เราก็ไม่เอาถีบห้เซนกันนะห่างประมาณสักสองเม็ดขนาจะพอสองเมตรถ้า4ี่เมตรมันจะห่างเกินไปอย่างที่ว่านทามันตายต้นหนึ่งมันจะเป็น8เมตร ตัมมาตายสองต้นเป็นสิบหกเม็ดหลวงพ่อก็เลยเอาสองเม็ดก็พอมัง่งลูกหลานอืเกิดเลยต้นละสองเมตรปลูกวานขย่างห่างกันอันนี้นก็คือการปลูกป่าเราอยู่ในป่าที่ลูกหลานพระเนนทั้งหลายเห็นป่าไม้สักที่พวกเราเห็นไม้ประดูมั่งขาดแต่เคียนทองในวัดของหลวงพ่อเป็นหมื่นหมื่นหมื่นช่นแสนต้น การปลูกอย่างที่เมื่อปลูกเมื่อวานเนี่ยนะพอปลูกเสร็จแล้วหลวงพ่อจะทํายังไงสมัยนั้นกัวัดของเราก็ยากจนอีกต่างหากก็ต้องนั่นแนหะเลี้ยงเด็กนักเรีย น, นยพอออุจจิตรมู้นนั่นโรงเรียนบ้านนั้นโรงเรียนบ้านนี้ามาช่วยเอาป่าอามาถางป่าตัดป่าไอ้ถ า, างได้หญ้าออกจากต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้ด้วยพอปลูกด้วยได้หญ้าด้วย เอาเด็กนักเรียนมาเป็นรยร้อยๆนะกันเลี้ยงนะส้มรักกอบ้างเป็นหลักแล้วกันนะอาหารอาตามใต้ตามมีตามเกิดนะมาเลี้ยงเด็กนักเรียนพร่อป่ามูนี้เป็นผลงานของลูกหลานเด็กนักเรียนในท้องถิ่นในแถบนี้แนหะทั้งหมดนะทั้งอำเภอนายูงเลยทั้งตักปากเกียงเชียงดีแถวนี้มาหมด น, ะนาโกงนาแคบ้านเพิ่ม มาปลูกป่าในวัดของเราเี๋ยลูกหลานได้เห็นมันไม่ใช่ว่าเศกคาถาเป่าฟูดฟาดมันขึ้นเป็นป่าเลยไม่ใช่นะรักษาจนพอแรงเหมือนกันอย่างน้อย3มปีการรักษาป่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาต้องใช้ความอดทนพอสมควรแต่พอเป็นป่าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้ถางมะละบันปล่อยให้เป็นธรรมชาติขึ้นมามันต้นไม้ใหญ่ที่เราปลูกมันก็ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นผลไม้จะเกิดใหม่ไทใหญ่ที่หลังมันก็อยู่ใน ในระหว่างต้นไม้ใหญ่แต่พร้อมกันกับเป็นป่ากเก่าอยู่แล้วเป็นป่าประดูมัค่าตะเคียนทองไม้ยางพวกไม้ยางก็ชิงเกิดขึ้นมาไม้ธรรมชาติข้นมาประดูก็ชิงขึ้นมาตามธรรมชาติเราก็ไม่ว่ากันไม่ต้องตัดไม่ต้องถางไม้ตะแบกก็ขึ้นมาเอกเป็นไม้เก่าพื้นเพของมันมันก็ขึ้นมาผสมประสานกันคละกันเลยทีี นี่แหะพื้นป่าแต่กาเข้าไปข้างในก็ยังมีอยู่นะลูกหลานคือไม้ที่มันโค่นไปก่อนๆนั่นเี่เรายังเป็นป่าเป็นเถาวัลย์ยังมีอีกอยู่ถ้ามีโอกาสก็คงจะปับเถาวัลย์เหล่านั้นให้ลงอีกคงจะปลูกพวกไม้ ย, ยืนตน้นเพื่อให้มันเป็นป่าสมบูรณ์ที่สุดนะแนวของคิดของหลวงพ่อนะเพราะว่าพระป่าวัดป่าวัดป่าก็ต้องอาศัยป่า ถ้าเห็นป่าแล้วก็ชุ่มชื่นใจถ้าว่าป่าแห้งแล้งโปร่งโล่งแต่บางคนก็ชอบอยู่ใหม่หม่ไปเห็นที่ลงโล่งพออกพอใจพอไปอยู่ไปนานๆมันอากาศมันร้อนหวังอะไรว่างก็ตอมองเห็นป่าแต่บางคนมาเห็นป่าแล้วก็อยากจะตัดแต่ป่าว่ามันเ อ, ดอิดอึดอัดหลวงพ่อห้ามนะใครจะไปตัดป่าะจะไปตัดต้นไม้ก่อนที่จะปลูกขึ้นมาได้ หลายปีจึงจะปลูกขึ้นมาได้ก่อนที่จะตัดต้นไม้ต้นไหนนะต้องคิดแล้วคิดอีกต้องเดินรอบไม่ใช่คนตัวเองเดินรอกคนเดียนะหลายคนนะเดินรอบควรจะตัดไหมออย่างต่างประเทศเขาก่อนที่จะตัดต้นไม้แต่ละตน้นเอจะแต่งกิ่งต้นไม้แต่ละตน้นไม่ใช่คิดได้คิดแต่งไม่ได้นะตามที่หลวงพ่อได้ยินเข้ามาเขารักต้นไม้แถาเขาถึงขนาดนั้นล่ะนี้ก็เหมือนการวัดของเราที่พวกเราไม่ขยาย ไม่ขยายู่ศาลาอยู่ข้างในเพราะอะไรกนะ็เพราะรักต้นไม้พวกเราจึางได้ออกไปอยู่ศาลาข้างนอกนะแต่ถึงศาลาข้างในนี่กเนะ็เถอะนะถึงพวกเราจะทำถนนไปแต่กิ่งไม้มันก็จดกันอยู่จนมองไม่เห็นถนนเหมือนกันเพราะต้นไม้มันใหญ่นะกิ่งไม้กิ่งแต่ละต้นมันออกเป็นส0บเมตรถนนของเราเพียงสองเมตร เรามองไม่เห็นมองจากข้างบนมองไม่เห็นถนนเลยเพราะเหตุใดเพราะว่าต้นไม้มันปกคลุมไปหมดเราจะทําไปถนนไปที่ไหนต้นไม้มันก็นยังคลุมถนนทุกทุกเส้น น, นี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อวานก็เลยพาพระลูกพาหลานจัดทายญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานเชิรปอนมาภาวนาเมื่อวานก็หลวงพ่อก็เลยพาออกไปเอาเหงื่อสักหน่อยวะ่ะ เป็นกิจกรรมหนึ่งสําหรับพวกเราไม่ใช่ว่าจะนั่งภาวนาอย่างเดียวกิจกรรมข้างนอกเรากควรจะมีอย่างน้อยกับพระในวัดของเราเจ้าขุนมุลนางที่มาบวชไม่เคยถูกแดดถูกฝนเฉลยมาถูกัวเจต่อไปภายภาคหน้าเราจะทําการทํางานเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราจะเรียนรู้ว่าเนี่ยตากแดดกเกษตรกรรมเขาตากแดดมันร้อนขนาดไหน เราอยู่แต่ในห้องแอร์ไม่เห็นคุณค่าของข้าวของเขาก่อนที่จะได้ข้าวมากินให้แม่ให้เราทานเนี่ยมันไม่ใช่ของมาได้ง่ายๆเพราะนั้นพวกเราออกไปลกุก้สมัยไปอยู่กับหลวงพ่ออินวัดป่านาคำน้อยหลวงพ่อพ่อพาตรอยตากแดดวันนั้นโอ้โหจไม่ลืม <laughs> จําไม่ลืม <laughs> มันร้อนจริงๆตากแดดเนี่ยก่อนที่จะได้ ข่าวไดอะไรมาจุนเจือประเทศประเทศชาติบ้านเมืองเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าเอาเปรียบเขาทีนี้เมื่อเห็นเข า, เาทุกข์ยากลำบากแล้วไม่ใช่แ่าใครอยากจะทุกนะแต่เขาไม่มีทางไปเขาก็ต้องทำกิจกรรมนั้น เ, เราเหนือกว่าเขาถ้าเราด้วยกว่าเขาเหนือกว่าเขาเราก็ควรสงคคเคราะห์นุเคราะห์เขาเนี่แหละเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันถ้ามีเมตตา ถ้ามีเมตตาต่อกันมีความเอือ้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งมีอะไรก็เจือจานกันเฉลือเพื่อแผ่กันโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขนะแต่ถ้าว่าโลกเห็นแต่แก่ตัวไม่เห็นแก่ใคร เ, เห็นแก่พักแก่พวกตนเองไม่เห็นแก่ใครนะโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนนะลูกลาม น, นะ เ, เพราะนั้นให้พวกเราศึกษาหลักธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านจะให้แผ่เมตตาข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นดวงใจอื่นทุกดวงใจทั่วตจโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงใจด้วยเทินนี่แหละอันนี้คือการแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ข้าพเจ้าจงเป็นสุข ผู้อื่นจงเป็นสุขข้าเปเจ้าเป็นสุขตกผู้อื่นจงเป็นสุขเนี่ยพอวนาแผ่เมตตาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยว่าผ ม, มาวิหารเออเป็นผู้อยู่ผู้มีจิตใจสูงเป็นพรหมพรห ม, มวิหารเอต่อผู้มีเมตตาต่อสปปรรพสัตว์นะต่อทุกคนนี่แหละอันนี้เมื่อวานที่หลวงพ่อได้พาไปหลวงพ่อก็แดดเปี้ยงร้อนมากเลยพอตกตอนเย็นหมอหลวงพ่อเห็นก้อนเมฆขึ้นมาทั้ง ตั้งตะวันตกเฮ้ยลูกหลานเดี๋ยวหลวงพ่อตอนเย็นจะเสกคาตาให้ฝนตกที่แท้งพ่อเห็นก้อนเมฆแล้วงั้นพ่อเมื่อคืนเนี่ยฝนเทลงมาเออเห็นไหมลูกหลานเออชุ่มฉ่ำไปหมดเลยเราปลูกพอดีพอดีเลยปลูกต้นไม้เมื่อวานพ่อปลูกมาแล้วก็ฝนตกลงพอดีเลยฝนตกแรงอย่างต่างหากนะหลวงพ่อคิดว่าไอม่น่าจะตายเลแต่หลวงพ่อก็บอกบอกวิธีการปลูกน้ลูกหลานพกับมาจากกรุงเทพ พอทำหลุมลงไปพอประมาณเสร็จแล้วก็แกะแกะถุงแต่แกะถุงดําที่เขาถุงถุงเพราะชําเขานะ่ะพอแกะอยากให้อ ย, า ใ, อยาให้เบ้ามันแตกอยาให้ดินมันแตกจากลากของมันพยายามค่อยๆแกะพอแกะเสร็จแล้วทากนั้นเราก็กําให้แน่นๆสักหน่อยจากนั้นเอาลงในดินพอานเอาดินดินที่ขุดขึ้นมาใหม่ๆดําที่มันยังชุ่มๆยเกี่ยเกลี่ยเกียลงไป พอเกี่ยให้รอบๆเนี่ยไปเกี่ยข้างในข้างหนึ่งมาเลี่ยให้รอบๆให้มันโพนขึ้นมาเลยเอาเท้าของเราเนี่ยเหยียบลงไปป่ะะเาเนี่ยเหยียบลงไปเหยียบติ่นให้มันแน่นเหยียบรอบๆครับเหยียบเหยียบเหยียบให้ทุกด้านเลย้ามันยังพ่ยพองเอาดินกบเข้ามาอีกเหยียบลงไป เ, เพื่อให้มันแน่นถ้าว่าพวกเราใส่ลงไปนเนี่ยเกี่ยกบกบๆๆดินหลงหลวงดินหลวมต่นนั้นอ่ะเป็นมันเป็นสุญญากาศมันเป็นอากาศอยู่ในนั้น ดินนอกกับดินที่ในถุงมันมันมันห่างกันใช่ไหมล่ะเออมันห่างกันต้นไม้ก็ตายเิเพราะมันมันไม่ได้มันดินข้างนอกไม่เชื่อมเข้ามาหาดินข้างในไม่ไม่ได้เชื่อมเข้ามหาดินตรงที่ต้นต้นไม้นั่นแต่ถ้าเราเหยียบลงไปเนี่ยดินข้างนอกมันอมน้ําอยู่แล้วเนี่ยมันก็ส่งเข้ามาหามาหาต้นไม้ที่ที่ที่มันเกิดต้นไม้มันก็จะ มันได้กินน้ำใช่ไหะได้กินน้ําันก็ชื้นมันก็ไม่ตายเลยเพะการปลูกต้นไม้ก็มีเทคนิคเหมือนกันนะลูกหลานะวิชาทุกวิชาในโลกนะ่ะมันต้องเรียนได้เรียนรู้ทั้งหมดอ่อทีนี้ก็พอเหยียบให้แน่นเลยก็กรบกรบดินไว้ถ้ามันเอียงนอนเกินไปก็หาไม้เสียบค้ำมันไว้แต่ว่าการเสียบไม้ตัวนี้ก็เหมือนกันไม้ไผ่ที่เรามหมายไว้ว่าอื่นนี่ปลูกต้นไม้ตรงนี้นะ มันต้องมีมีไม้เสียบเสียบไว้เพื่อมันเราจะได้เมื่อย่ามันเกิดขึ้นมาเราจะได้ดูได้ว่ามั น, มนไม้ของเราปลูกที่ตรงไหนมันมีไม้เสียบเอาไว้ไม้เป็นเครื่องหมายไม้ไผ่เป็นเครื่องหมายแต่ไม้ไผ่ตัวนี้ก็เถอะนะเวลาเราจะเสียบเข้าไปอย่าไปเสียบติดต้นไม้ให้เสียบปังหามอย่างน้อยจะคืบหนึ่งเพราะเหตุไรเพราะว่าเราเสียบติดต้นไม้นะป่วกมันกิน ปวกขึ้นมากินไม้ไผ่ใช่ไหมมันก็กินต้นไม้เราเองไงเพราะนั้นเราต้องเสียพังหางอย่างน้อยสักครื่บหนึ่งเวลามันปวกขึ้นมากินไม้ไผ่มันก็ไม่มากินรากไม้ที่เราปลูกเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือมันเป็นวิธีการปลูกไม้นะแต่อย่าไปปลูกลึกเกินไปและจะไปปลูกตื้นเกินไปถ้าปลูกตื้นเกินไปก็รากมันลอยนี่ก็ทําให้มันตายได้ถ้าปลูกลึกเกินไปมันก็ถม อมลึกเกินไปทำให้ไม้ตายอีกเหมือนกันคล้ายๆล้หอเป้าให้อยู่ต่ำกว่าดินนิดหน่อยประมาณนิ้วหรือสองนิ้วนะ่ะขนาดนี้พอเสร็จแล้วก็ดูวัชพืชที่อยู่ใกล้ๆเขาออกซักเพื่อไม่ให้มันคุมคุมเร็วเกิ น, ปกนไปนั่นแหละวิธีการปลูกลูกหลานนะ้ะปลูกต่อไปกันนะพอเขาทำหลุมให้แล้วจัดการเลยเจี๊ค่อยๆจีก อแต่ใหญ่แขกแม่ครัวแขกบอกว่าเวลาเวลาจะปลูกต้นไม้เนี่ยก็มีเทคนิคของเขาเอาต้นไม้จุ่มลงไปในน้ําำก่อนถือกระป๋องไปด้วยกระป๋องหนึ่งถือกระป๋องไปด้วยกระป๋องหนึ่งแล้วก็มีน้ำอยู่ประมาณสักครึ่งหรือเต็มกระป๋องจากนั้นเวลาเราจะปลูกเอาต้นกล้าไมไ้จุ่มลงไปก่อนเอพอจุ่มเสร็จแล้วเรากลักกบ ม, มันบีบ คล้ายๆบำเบีบให้ดินมันแน่นพอพอนนมันดินเหนียวอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ดินทรายเขาปลูกดินเหนียวบียให้มันแน่นพอแน่นเขาก็จีกจีกถุงจีกทุงจีกถุงดําพอจีกเสร็จแล้นค่อยเอาลงค่อยเอาลงพราะมันได้อย่างน้อยกือน้นําอยู่ในนั้นมันยังชื้นไปได้หลายวันอออันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งเหมือนกันอะอควรปฏิบัติาตามนี้นะก็ดีอแต่ว่าเวลาใส่น้ำเข้าไปถ้าเราไม่ ปลูกป๋กมาแกะเลยไปได้เลถ้าแกะเลยนกะันี่ยแหะแต่กระจุยไปอีกแล้วมันถูกน้ำใช่ไหม ต, ต้องบีบอกําให้มันแน่นให้มันอยู่ซะก่อนอมันอมน้ํามันอมดินอินดินอมน้ําแล้วมันบีบเข้าไปมันก็ดินเหนียวถูกน้ําอย่างมก็บีบเข้าไปกันแน่นอนะยังค่อยแกะพอแกะเสร็จแล้วเรายังค่อยเอาลงแล้วก็ดินกบเหยียบให้แน่นอย่างเกานะนะ่านั่นแหะนั่นแหละวิธีปลูกต้นไม้และลูกหลานนะ ใช้วิชานี่ใช้ไปเถอะพอปลูกขึ้นมาแล้วเราไม่รักษาไม่ได้เด็ดสิเราต้องรักษาวัชพืชไม้คุมมันไหมมันอยู่ในที่ร่มเกินไปไหมแดดสองถึงมันไหมต้นไม้มันก็ต้องอากาศต้องการอากาศเหมือนกันนะถ้าเราต้องไปปลูกในที่มุงบงังมันก็ไม่ขึ้นไม่ได้เหมือนกันเราต้องอยู่ในที่โล่งๆอากาศปลอดโปร่งพอสมควรแต่มันร้อนเกินไปไหมถ้าแดดเปรี้ยงเกินไปก็ตายอีกเหมือนกันมันร้อนเกินไปไม้บัง ไม้บางต้นไม่ชอบไม่ชอบความร้อนไม่ชอบแดดเราก็ต้องหาที่อะไรมุงบังมันบางพอล่ไนะอาไหลบังไม่ใช่บังเม็ดนะบังพอล่าไหลมันโผลให้มันได้กินความได้กินอากาศบ้างให้อากาศปลอดโปร่งบ้าง น, ะนี่แหละการปลูกแต่การปลูกไม่ยากนะการปลูกต้นไม้ไม่ยากปลูกปรับนะปลูกเป็นพัน แต่รักษาต้นไม้นะั้รักษายากเลยดุร้ายนะสามปีนะจึงจะเป็นผลจึงจะเห็นผลได้ปลูกป่าเข้ามาปลูกนะปลูกง่ายแต่ว่าเวลารักษานี่รักษายาก เ, เหมือนกับคนได้แชมป์มานะได้แชมป์มาบางทีได้แชมป์โดยบังเอิญใช่ไหมล่ะกำปั้นตุ่ยไปตุ่ยมาถึงยอดคางเขาก็เลยตัวเองก็เลยได้แชมป์แต่รักษาแชมปนะ์เนี่อรักษายากไม่รู้เขาจะเอาคืนเมื่อไหร่ ปลูกต้นไม้ก็เหมือนกันน่ะถ้าปลูกนะปลูกง่ายปลูกเอาปลูกเอาปลวกแต่รักษาต้นไม้เลยกว่าจะให้มันใหญ่ขึ้นมาได้ไม่ใช่ของนายาลูกหลานนะอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยพูดเอานักเรียนมาถางไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่ละปีนักเรียนถางป่างูเขียวงูหางไม้กัดหลวงพ่อจึงไม่ไม่เอาเด็กนักเรียนมาเด่นเพราะถางป่าก็ไว้เด็กงูเขียวกัดงูเขียวหางไม่โดยมากถ้าเป็น จงอางูเห่าพอท่างไปได้ยินเสียงเด็กมันก็ไปแล้วเพราะเด็กเรียงหน้ากระดานกันใช่ไหมไอ้พวกตัวใหญ่ๆมันกน็หนีหมดแต่งูเขียวหางไหมมันมันหนีช้าทีนี้ว่าฟันไปเด็กมันก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอยู่ในมันอยู่แต่เรียนแต่ห้องเรียนอพอไปไปทางไปทางไปงูมันก็สู้เลยทีเดีวยวนะพอเสร็จแล้วกันน่ะ งูเขียวหางไหมก็กัดองูเขียวหางไหมกัดโอ้หามเด็กนักเรียนออกมาอพอที่ไหนได้เขาก็เก่งนักเรียนฉันซาตยาของมนุษย์ใช่ไหมพอมันกัดท่านมีดไครมีดเรายำงูเขียวหางไหมไม่รู้กี่ท่อนเหมือนกันนะเออรู้ไหมไปรู้งูเขียวรู้ครับะแต่หลวงพอ่อพอนักเรียนจะมา แกจะมาทำมามาถางป่าวันนี้หนะลวงพ่อจะให้เตรียมไว้เตรียมยาไว้เลยนะยาสมุนไพรของหลวงพ่อในะเก่ง ม, มากอย่างนั้นะลูกหลานนะนี่นะ่ะเสลตพังพรตัวหนึ่งสเสลตพังพรเนี่ยใบเหลืองๆที่เป็นน้ำหนาะมเลเฉลตพังพรแล้วก็ผักหนอกนะใบบวบกผักหนอกแล้วก็พรนะิกไทยพริกไทยแล้วก็น้ํามะนาว เ อ, อพอว่างูกัดแล้วท่านกกับอยู่ทั้งนี้ก็โคกเสเร็จพังพรกับใบโบกใสกันนะปอกปอกปอกใส่โคกหินว่าไงนะพอเสร็จแล้วก็อัอกลับมาเลยเอาน้ำมะนาวยอดลงเอาพริกไทยเทยลงไปพอประมาณพอเสร็จแล้นเป็นยังไงล่ะเจ็บไหมตรงไหนเจ็บแล้ว ก, กันเอากากเอากระดาษเอาเปลือกมะนาวนเปลือกมะนาวที่ที่เราฝัน เอาเช็ดแรงๆเลเช็ดแผลที่ตรงตรงที่งูกัดเออท็ดถูแรงๆถูไปถูมาผลมันรู้จะเก็บเราเพราะมันมันยังมึนอยู่คราวนะั้นมันเจ็บงูกัดจะมากกว่าพอถูไปถูมาเสร็จแล้วก็เอาน่นี่ยนะเอาจระเข้พังพอนกบเลยกบแล้วเอาน้ำมะนาวหยดลองอีกเอาผ้าพันุถ้าผ้าพันุ์ไปไงแน่นหน้าอกไหมเออถ้าแน่านหน้าอกเนี่ยเอาน้ำตัวน้ำน้ำจระเข้พังพอนะ เอใส่เข้าไปในครกแล้วก็เอาซ้อนแตะลงมาแล้วก็ใส่ในแก้วน้ําให้กินเข้าไปเท่นนเ า, านั้นนะไม่คําว่าเออนั่นนะบวงไม่มีเลยไม่มีเลยบวงหายแงยบเล้วสนุสเดชปังพ อ, อยาตัว น, นี้นะพวัะ น, นั้นหลวงพ่อใช้ยาตัว น, นี้ตลอดลไม่รู้กี่คนนะเด็กนักเรียนมาอยู่ที่วัดที่มาทํางานละงูเขียวหาไม่กัด น, น, นี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการ ดูแลรักษาลูกหลานจากนั้นหลวงพ่อก็วัดของเราก็พอเป็นพอไปขึ้นมาแล้วจะเอาลูกหลานมาทำงานมาเป็นภาระหลวงพ่อก็มีภาระมากพระก็มีภาระมากก็เลยถอยออกไปไม่ได้เอาเด็กมามาช่วยทำงานเหมือนสมัยก่อนนี่แหละอันนี้ก็คืออันหนึง่งการที่รักษามันยากกว่าการการปลก พวกเราก็เหมือนกันที่นั่งฟังหลวงพ่อตาปิบปิบนิบหลวงพ่อบอกว่ารับสินง่ายกว่ารักษาสินถ้าพวกเรารับสินเนี่ยมายังพันเตติชนเนงปานาติปาตาอทินนาธานากาเมจุมิสาจารามุสาวาทาสุรามีเรตามหลังหลวงพ่อเสร็จแล้วเนี่ยไปรักษาเนี่ยรักษายากกว่าไม่ใช่หรอ จะรักษาศินห้าี่ยข้าวไปเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าวไปเจ้าจะไม่ขโมยทรัพย์ข้าวไปเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกามข้าจะข้าไปเจ้าจะไม่โกหกใครข้าไปเจ้าจะไม่ดื่มของมึนเมาให้ขาดสติเนี่ยรักษาสินยากกว่ารับศินใช่ไหมรับษาศินว่าตามหลังพระแล้วก็ว่าๆไปแล้วก็จบน่เอยแต่รักษาศินเนี่ต้องใช้เวลานานนี้ก็เหมือนกันปลูกต้นไม้น่ยปลูกง่ายแต่รักษารักษายากหนุกหลานแต่ถึงรักษาแล้วก็เป็นประโยชน์ เหมือนกับราเร า, เ ร, า, เ ร, ารับสินเมื่อรับสินเสร็จแล้วเรารักษาสินก็มีประโยชน์สาหรับเราไปนสถ า, านที่ใดอยู่นสถ า, านที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเชิดชูโบชายกย่องสรรเสริญเป็นผู้มีศินมีธรรมนะหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับป่าไม้โยมไปโยงมานะลูกหลา น, นวันนี้น ะ, ะต่อ น, นื่ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร